ผู้ทวดัสดีค่ะท่านผูังที่กรบค้าดิฉันสันสหน้าคถุงนะคะมาแล้วค่ะกับรายการสัสนสีสัมปนาที่จะสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบูลอภิปุโนในวันพระหัสบดีกับวันศุกร์โดยวันจันทร์เรื่อยมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะท่านภัยบูท่านก็ได้มอบธรรมะให้กับพวกเราทั้งหลายกันอยู่ตปนประจำแล้วที่สถานีที่พร้อมข่วขาวประชากรร้อยหกนี้ค่ะวันนี้นะคะจะกราบเรียน ถามคาถามท่านอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับงูพิษในธรรมะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าปริยัติที่เป็นงูพิษท่านพิบูลว่าแม่จะเคยพูดไปแล้ววันนี้มีแง่มุมใหม่จึงต้องคอยติดตามฟังส่วนเรื่องที่สองนั้นนะคะก็เป็นคําถามเกี่ยวกับความโกรธค่ะใครที่มักโกรธเนี่ยต้องฟังเลย ว่าจะจัดการอย่างไรกับความโกรธได้เร็วๆโดยใช้ธรรมะของพระพุทธองค์กลับอีกคําถามหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับภพเกี่ยวกับการเกิดเกี่ยวกับการดับชาติภพและการเกิดดับนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ต่อมานั่งสมาธิกันก่อ น, นะคะ่ะภายใต้การนำของพระมหาใบบุญอภิปุลโนผู้อำนวยการหลักสูตรลิเบนคือหลักสูตรการปฏิบัติเนี่ย น, นะคะที่วัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานี กรน้องส ก, การค์คะ น, นคะเจนพรเวลาที่เรามาฟังธรรมก็เริ่มการปฏิบัติกันซะก่อนโดยการให้เรามาระลึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยังเป็นธรรมชาติเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติจิตของเรานี้ถ้าต ร, ตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตทีต่ตรึกไปในเรื่องความคิด ที่มันจะทําให้เกิดความง่วงซึมความคิดที่มันจะทําให้เกิดความพยาบาทคิดเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยไออารมณ์ที่มันมากกว่าความคิดนี้มันก็จะมีกําลังมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตรีตรึกไปในที่ที่มันจะดีเป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนถ้าตรีตรึกไปในทางนั้นจิตก็จะน้อมไปดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถให้จิตของเรามาตั้งอยู่ในดินแดนที่ดีได้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้า อธิบายถึงนั่นก็คือสตินั่นเองสติเนี่ยคือการระลึกได้อย่างการที่เราจะระลึกได้ก็คือคิดถึงนึกถึงมันจึงจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวของจิตจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็คือจากที่ที่ไม่ดีมาที่ที่ดีนั่นเองฐานที่ตั้งตรงนี้ก็คือลมหายใจในที่เราใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งสติขึ้นรับรู้ถึงสัมปัตของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตตั้งไว้นะที่ตรงนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีสติเนี่ยสตินี้จะเป็นองค์ธรรมที่จะทาให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้สัพที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เทคนิคก็คือโพชฌงโพชฌงแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมสติที่ตั้งขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสติสัมโพชฌงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมหมายความว่าจะทำให้จิตนั้นพร้อมที่จะปฏิิญญาพร้อมที่จะปล่อยวางได้พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ เวลาที่เรามีสติตั้งขึ้นเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ที่น่าพอใจจะไม่วิ่งหนีในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจคือถ้าสติเราตั้งขึ้นมีกําลังแล้วมีความคิดนึกใดๆบางทีทําให้เราไม่สบายใจบ้างารับรู้อยู่แต่ว่าไม่เข้าไปเกล Awak ือกลั้วในสิ่งนั้นอารมณ์ใดที่มันจะทําให้เรามีความกําหนัดลุ่มหลงเราก็ไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งนั้นอาการที่จิตไม่ไปเกลือกกลั้วไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีจิตนั้นสามารถที่จะ เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงได้มีลักษณะที่มีการใคร่ครวญรรมมีการพิจารณารทำการใคร่ครวญทำการพิจารณาธรรมจากการที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าธรรมวิจัยมีการใคร่ครวญทำสามที่ปุบรชาใช้ก็คือธรรมะวิจยะธรรมวิจยะนี้เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมด้วยเขาก็จะเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงแต่แค่เราตั้งสติขึ้นนะแค่เราตั้งสติขึ้นเวลามีความคิดนึกอะไรที่มันจะ เป็นไปในทางให้กำหนัดลุ่มหลงเราไม่วิ่งเข้าไปหาในความคิดนั้นมีความคิดอะไรเรื่องอะไรที่มันจะทําให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจเราไม่ขายาขแยงเกลียดจังในความคิดนั้นเห็นมันอยู่ตามเนื้อผ้าการเห็นตามเนื้อผ้าเนี่คือการใคร้ครวนธรรมพิจารณาธรรมคือธรรมาวิจยะสัมโพจฌงบุคคลที่มีการกระทํำอย่างนี้จิตเขามีสติเพิ่มขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นละเวลาที่มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอย่างนี้ ความที่จะเข้าไปกำหนัดเกลือกกล้วในสิ่งที่น่าพอใจความที่จะขยักขยัในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะของอกุศลเนี่ยก็จะลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมลดลงอันนี้คือการทำความเพี่ยนเรียกวเป็นวิริยะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นการกระทำโพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติขึ้นนั่นเองเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่ก็มารู้ในที่นี้ คือไม่ใช่รู้ในทางสมองแต่รู้ด้วยใจของเราเลยรู้ด้วยความชัดเจนรู้ด้วยความชัดเจนว่าเออลมหายมันผ่านอยู่นะสัมผัสบางทีมันก็เบาบ้างแรงบ้างสัมบัติที่เบาก็ตามแรงก็ตามนี้ทําให้เรามีสติตั้งเอาไว้มีความคิดนึกในใดสัมผัสใดทางกายเราก็เห็นมันตามเนื้อผ้ามีการแคร่ครุ่รทำบุคคลที่มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งเนี่ยมีอกุศลธรรมลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตเขาจะมีความสบายใจความเย็นใจ ความสบายใจความอิม่มเอิบใจตรงนี้คือปีติเราเรียกว่าเป็นปีติสัมโพชฌงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสติเนี่ยองค์ทำต่างๆเหล่านี้จะมาพร้อมกันหมดเลยเราสามารถทําได้ในขณะที่เราอยู่ที่บ้านเรียนหนังสืออยู่หรือว่าทํากิจการงานใดๆสามารถที่จะตั้งจิตตั้งสติขึ้นองค์ทำในการตรัสรู้ธรรมนี้ก็จะค่อยสะสมสะสมขึ้นในจิตของเราทําได้อยู่อย่างต่อนเนื่องทําได้อยู่อย่างทุกวันเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงได้เรียนบอลสาธุค่ะ นะคะท่านฟังเราก็สะสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็น่ายินดีนะคะที่ได้ฟังว่าในการที่เราจเจริญสตินั้นทุกครั้งจะมีองค์ธรรมแห่งการตัดรู้เกิดขึ้นพร้อมๆกันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามความเพียรของเราที่ทา ม, มากยิ่งขึ้นใช่ใชถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งหมดอย่างนี้ด้วย ค่ะท่านคะทีนี้ดิฉันจะเริ่มคําถามเลยที่ท่านเองได้ตั้งไว้ก่อนบอกว่าหลังจากที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของปริยัตที่เป็นงูพิษก็ทําให้เข้าใจาว่ามีปริยัตที่ไม่เป็นงูพิษด้วยถูกไหมคะใช่ใช่แต่ว่าวันนี้ท่านหมดท่านได้มีความรู้ใหม่อืก็น่าสนใจมากเพราะท่านบอกว่าสรุปแล้วเป็นงูพิษทั้งหมดเป็นงูพิษทั้งหมดงไงเป็นอย่างนั้นไงเป็นอย่า ง, งานั้นคือเรื่องราวตรงนี้ถ้าเราไปศึกษาประสูตร อันนี้มาในมัชฌิมานิกายเนพระสูตรที่ชื่อว่าอัลคัททูปมาสูตรคําว่าอัลคัททูเนี่ยคืองูพิษปมาสนี่คือเปรียบเทียบก็คือหมายถึงอุปมาว่าด้วยอสสรพิษพระสูตรนี้นะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อละสองร้อยเจ็ดสอร้อยเจ็ดสิคือเ ป, เป็นเรื่องราวที่พระพุทธาอธิบายธรรมะเนี่ยนะให้กับภิกษุรูปหนึ่งเด่นภิกษุรูปนี้มีความเห็นผิดที่ชื่อว่าอาริตัตถภิกษุ ทีอุปมาอุปไมยอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบแต่ถ้าเราไปอ่านในพระสูตรนี้เนี่ยเราจะพบข้อมูลที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบบุคคลที่ต้องการงูสองคนและสองคนนี้เขาไปจับงูเนี่ยด้วยคนละวิธีกันโดวยวิธีคนละวิธีกันแทําให้อุปมามีความเข้าใจเพิ่มเติมในพระสูตรเนะปรียบเทียบกันกับการเล่าเรียนธรรมเพราะฉะนั้นจึงทําให้ตอนแรกที่คิดว่า การไปเล่าเรียนธรรมะชนิดที่เป็นงูพิษก็มีการเล่าเรียนธรรมะชนิดที่ไม่เป็นงูพิษก็มีซึ่งความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ค, อคือตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วลการเล่าเรียนธรรมเนี่ยเป็นงูพิษทั้งหมดทํำไมถึงว่าอย่างนั้นเราเรามาดูเรื่องของงูพิษกันต่อ ก, กันนะคุณโยมเติวนะงูพิษเนี่ยคือสัตว์ทีม่มันมีพิษทีนี้ความมีพิษของมันเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็ไม่กัดเราอะนะบางที พระเดินตรงกลมอยู่มีงูงูเนี่ยมันนอนอยู่ข้างทางจงกรมอย่างเงี้ยเราไม่ไปทําอะไรมันมันก็ไม่ทําอะไรเราคือเห็นยังกันอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้รับอันตรายจากมันอันนี้คื อ, อยกตัวอย่างอุูมาบุมาอย่าก่อนนะคืองูพิษมีไหมมีแต่บางทีเราไม่ได้รับอันตรายจากมันโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเขาต้องการจะจับงูพิษเนี่ยคนที่เขาจับเป็นเนี่ยจับถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษนั้น โอเคนะเราต้องแยกเรื่องของงูพิษคือความาหมายคือคำว่าอันตรายของมันมันมีอันตรายไหมมีแต่เราจะเกิดภัยจากอันตรายนั้นไหมเราอาจจะไม่เกิดอยู่ที่ว่าเราใช้ยังไงเปรียบเทียบกับไฟฟ้าอย่างนี้นะไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายไหมส้อยยี่ย220บโวลต์เนี่ยนะโหอันตรายนะคุณยมติว๋วช็อตคนตายได้นะแต่ถ้าเราใช้ถูกเราจะไม่เกิดภัยจากอันตรายนี้โอเคนะน้ำเนี่ยน้ําอันตรายไหมโหถ้าน้ํามากๆนี่ก็อันตรายนะถ้าเราใช้ไม่ถูก แต่ถ้ามันเอามาใช้ถูกมันกินดื่มได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ดีถูกไหมเช่นเดียวกันกับงูพิษเนี่ยแหละนะงูพิษเนี่ยงูพิษเนี่ยถ้าบอกว่าเราใช้ไม่ถูกเอาไปจับมันไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นภัยกับเราได้คืองูพิษมีอันตรายนะไฟฟ้าก็มีอันตรายนะน้ําก็มีอันตรายนะแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นกับเราได้เป็นภัยกับเราได้ซึ่งอุปมาอุปไมตรตรงเนี้ยเอาพระเจ้ายกเนี่ยเปรียบเทียบกับคนที่ต้องการงูพิษ2องคน คนหนึ่งไปจับงูพิษแต่จับไม่ถูกได้รับภัยจากอันตรายคืองูพิษนั้นส่วนคนที่2ไปจับงูพิษเหมือนกันแต่จับถูกทีนี้จับถูกก็จึงไม่ได้รับภัยจากอันตรายคืองูพิษนั้นโอเคนะอุปมาไวตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบการจับงูพิษเปรียบเทียบกับการเล่าเรียนธรรมะให้ดีนะจับงูพิษกับการเล่าเรียนธรรมะเพราะฉะนั้น การเล่าเรียนดํรมา ก, กับการจับงูพิษเนี่ยเหมือนกันทีนี้เราจะเล่าเรียนอย่างไรไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดภัยตัว น, นี้มันจึงมีความต่างกันอยู่เพราะนั้นที่อํารมาตอนแรกเข้าใจว่าจะมีการเล่าเรียนชนิดที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยมันไม่มีการเล่าเรียนเนี่ยเป็นงูพิษหมดแหละแต่ว่าเราจะได้รับภัยจากอันตรายคืองูพิษนั้นไหมเพราะบางทีงูพิษก็มีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการประโยชน์จากงูพิษทีนี้ถ้าผมว่าจับไม่ดี แทนที่คุณจะได้ประโยชน์คุณกลับได้โทษอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการจับอย่างไรล่ะวิธีการเล่าเรียนอย่างไรล่ะเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับภัยจากการเล่าเรียนนั้นเพราะว่าการเล่าเรียนเนี่ยมีอันตรายอย่างเช่นว่าอย่างอัตมาเรียนภาษาบาลีนะคุณหยมติวน ะ, ะเรียนภาษาบาลีโอ้โหมันต้องมานั่ ง, งคร่ำคร่งท่องศัพท์ต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องใช้พลังงานอันนี้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาถึงคุณจับถูกก็ตามอ่ะ งูมันก็จะเอาตัวของมันเนี่ยมารัดแขนมารัดตัวของเราแต่ว่าเราก็ยังถูกถูกรัดอยู่ก็จริงเจ็บอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายจากพีชของมันเช่นเดียวกันเราไปเล่าเรียนมันก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเมยธรรมดาแหละแต่ถ้าเราเรียนถูกนะก็จะได้รับประโยชน์จากการเล่าเรียนนั้นแต่ถ้าเล่าเรียนผิดนะก็จะได้รับอันตรายของมันได้รับภัยของมัน <S <S <serial. S 1> เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเรียนให้อย่างไม่ถูกต้องกันเอาอย่างไม่ถูกต้องกันนะก็คือ ส อ, อดส่องเนื้อความไม่ดีไม่สามารถไม่ใคร่ครวญได้อย่างถูกต้องแล้วก็หาข้อบกพร่องในธรรมะแล้วก็จะใช้ธรรมะเนีย่ยในการที่จะโจมตีคนอื่นเพ่งทำร้าย package, รัฐที่รายรัฐที่หนึในการที่จะไปหาข้อมูลการเล่าเรียนแบบนี้ <c oughs> คือไปหางูพิษแล้วก็ได้รับภัยจากงูพิษนั้นงูพ <c oughs> <ม>ิษนี่มีอันตรายนะคุณไปเล่าเรียนแบบนี้การเล่าเรียนนี้มีอ<ม>ันตรายนะคุณไปเล่าเรียนแบบนี้คุณได้รับภัยจากการเล่าเรียนนั้น คือพายจากงูพิษนั้นทีนี้แต่ถ้าผมว่ามีการสอดส่องใคล่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาอย่างดีธรรมะนั้นมีการพิจารณาไม่ได้มาหาข้อบุพร่องแต่ใช้เพื่อที่จะละกิเลส ข, ของตัวเองไม่ได้เพื่อที่จะทําลายคนอื่นในการเล่าเรียนแบบนี้เออนี้จะได้รับประโยชน์จากการเล่าเรียนก็คือเหมือนคนที่จะไปจับงูพิษนี่แหละได้รับประโยชน์จากพิษของงูนั้นโอเคนะเหมือนกับการที่เราเล่าเรียนธรรมะเนี่ยคืองูพิษเนี่ย และเราได้ประโยชน์จากงูพิษนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้จึงเป็นจุดที่ออกม า, าพิจารณาโดยรอบครอบแล้วโอ้มันมีประเด็นนี้ที่เรายังมองไม่ถึงอย า, ากจะพิจารณาไม่รอบครอบมาเมื่อก่อนคิดว่าการเล่าเรียนชนิดที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยมันก็มีแต่ไม่ใช่การเล่าเรียนทำทั้งหมดเนี่ยเป็นงูพิษแต่เราจะได้รับประโยชน์จากพิษงูนั้นหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเล่าเรียนถูกหรือเปล่านะซึ่งการที่เรามาคุยธรรมะกับคุณยมติ๋วอย่างเงี้ย มีการมาพูดคุยมีการถกกันในประเด็นนั้นประเด็นนี้ให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้องเนี่ยนี่คือวิธีการจับงูที่ถูกต้องคือวิธีการเล่าเรียนที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ได้ให้รับภัยจากการเล่าเรียนนั้นโอเคน ะ, ค ะ, ะงั้นก็คือเป็นมุมที่ท่านต้องแก้ไขให้ถูกต้องสาหรับความเข้าใจซึ่ง เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็แม้กระทั่งที่ผ่านมาก็เข้าใจตามที่ท่านบอกว่าเคยเข้าใจและจําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจสมัยหลังจากที่พบข้อมูลนะคะใ ช, ใชะ่ที่ท่านบอกว่าเป็นพระไตรปิฎกที่พบเ น, นี่ยดิฉันขออีกครั้งได้ไหมคะว่าชื่อพระสูตรเกิดมีคนอยากไปพบพระสูตรชื่อว่าอะระคัตถูปมัสูตร ออ่างลอริงแล้วก็คอควายแม่นกาศทอทหารทอทหารอีกตัวหนึ่งแล้วก็สาะอูอลักษ์คัทูเนี่ยแปลว่าอสอรปิดคือไม่ใช่งูธรรมดานะอะไม่ใช่งูธรรมดานั้นคัตทูสูตรละอลักษ์คัทูปะมะปะปาแล้วก็หมอมมาอ่ปะมะสูตรอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสําหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่คุ้นเคยกับ ภาษาธรรมก็อาจจะฟังลอยๆแล้วสู้ไปอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งต้องอ่านซ้ำช้าๆช้าๆอย่างเงี้ยก็จะได้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นใช่ใช่ผ่านไปหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่สองกันคะจะเป็นเรื่องของที่ท่านฟังซึ่งถามคําถามไปยัางท่านใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธว่าทํายังไงถึงจะให้<ะ>ดับไปได้ไว ค, คุณยุ้ย ถ้าต้องการรับความโกรธให้เร็ขึ้นอะไรี้ต้องทํำยังไงเรามาเข้าใจลักษณะของความโกรธก่อนแต่ความโกรธเนี่ยเป็นกิเลสในกิเลสนี้มีภาษาเป็นแดงเกิดเราบางทีเราไม่ได้โกรธอะไรหรอกนอกจากมันมีคนมาพูดจี้จุดตรงนี้เท่านั้นแหละมันจะปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยนะเช่นผมได้ของเราอย่างได้อย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันก็มีปัญหาแล้วนะแต่พอมีคนมาพูดโดนนิดนึงเนี่ยมันจะจี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนะอันนี้คือมีภาษาเป็นแดงเกิด มีภาษาเป็นแรงเกิดนี่คือกิเลส ท, ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นราคาโทสะโมหะก็มีภาษาเป็นแรงเกิดทีนี้ลักษณะของโทสะนี่ก็คือโทสะเนี่ยมีลักษณะโทษมากแล้วก็คลายเร็วคือมันจะต่างกับราคาแล้วก็โมหะนิดหนึ่งนะพระราชาบอกว่าราคาเนี่ยโทษน้อยคลายช้าโทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วโมหะนี่โทษมากด้วยคลายช้าด้วยในนี้ลักษณะของกิเลสสากองไม่เหมือนกันแต่โทสะเนี่โทษมากแล้วก็แต่ว่ามันคลายเร็ว แต่คือบางที่เราบึ้มไปแล้วอ่ะโอ้โหเพิ่งมารู้ตัวว่าฉันทำผิดไปค่ะตรง น, นห้หาเร็วอ่าใช่ใช่แล้วก็สิ่งที่ทําให้เจ้าความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจเจริญขึ้นสิ่งที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจเจริญขึ้นนะ พ, พระพระธเจ้าบอกว่าคือปฏิฆะคือความขัดเคืองคือแบบเจอกระทู้แล้วมันขัดใจอะ่ะถ้าเรามีปฏิฆะอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ไม่พอใจอันนั้นก็ไม่พอใจอันนี้มันจะสะสมทําให้ความโภสะมันเกิดขึ้นโกรธขึ้น ลักษณะของโทสา น, นี่คือมันจะเลยปฏิกาขึ้นไปนะคือคือเหมือนกับว่าถ้าบางคนเราอาจจะดูเขาไม่รู้ว่าเขาพอใจไม่พอใจแต่ถ้าคิ้วเริ่มขมวดเริ่มเริ่มออกอาการถ้าหูเริ่มแดงหน้าเริ่มแดงนี่โหออกอาการมากถ้าปากขยับตัวนี่โวยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่เพิ่มขึ้นมาของโทส่าโทส่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มมาจากปฏิกัดคือความขัดเกืองก่อนถ้าสะสมมากๆสะสมมากๆให้พวกนี้นเก็บกดเก็บกดเอาไว้ คำถามของคุณอยู่ที่นี่ก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้มันละได้เร็วจะทำยังไงมันละได้เร็วคือเราอย่าไปรอตอนที่โทสะมันเกิดแล้วเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับระเบิดมันบึ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยจ้าน้ำสามสี่จอกไปดับเนี่ยมันมันไม่ทันหรือไฟมันลุกบึ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าน้ําน้อยๆไปดับเนี่ยมันไม่ทันแต่ก้อนน้าเนี่ยเปรียบเทียบกับเมตานะสิ่งที่โทสะมันจะตรงข้ามกันคือเมตตา เนีเมตตาเพราะฉะนั้น พ, พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอา้าวิธีแก้คือเจริญเมตตาซะ ก, ก่อนทีนี้การเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่มาเจริญตอนที่มีโทสะแล้วเนีนเหมือนกับน้ําน้อยยังแพ้ไฟอ่ะนะถ้าสมมุติว่าเมตตาเราไม่มีกําลังอะ่ะคุณไม่เคยฝึกเมตตามาก่อนเพิ่งจะมาทําตอนที่จะโกรธอย่างเงี้ยมันจะสู้กําลังของไฟไม่ได้เนีนเพราะฉะนั้นเราต้องทํามาก่อนละนีค่คือคือกิรลับมันที่หนึ่งนะเมตตาเนี่ยต้องมีมาก่อนแล้วมีมาก่อนที่จะมีโทสะ มีตัแต่ตอนที่มีปฏิฆานั่นแหละปฏิฆาจริงๆไม่ต้องเก็บไว้นะต้องรีบละไปเลยเพราะมันเป็นเชื้อของไฟมันเป็นเชื้อของโทสะเราต้องรีบละเจ้าปฏิฆาเนี้ยไปซะก่อนละรีบละเจ้าความที่มันเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมอย่ากเก็บไว้อกุศลธรรมเนี่ยให้รีบละเสียความกัดเคลืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เ, เราต้องเจริญเมตตาอยู่มาก่อนแต่คือไม่ใช่มาทําตอนที่มีโทสะเกิดขึ้นแต่ตื่นเช้ามาคุณเจริญเมตตาก่อนเล เฉพาอย่างยิ่งคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาเนี่ยหรือเรื่องที่เราไม่พอใจอย่างเงี้ยนะหรือกลุ่มคนนี้เราไม่ชอบใจเขาเนี่ยแผ่เมตตาให้พวกนี้เลยแผ่เมตตาให้พวกนี้เลยพอแผ่เมตตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคือเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนี่มันก็ตามกรรมของเขานะแต่เราเวลาไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยความโกรธ i mean ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะลดลงคือแน่นอนนะบางทีเอ่อคนนี้เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันจเจริญหรอกคือคือบางทีเขาคิดอย่างนั้นนะ คนกรนเนี่ยจิตใจเขาจะน้อมไปอย่างนั้นพอมีความคิดว่าจะไม่ให้เขาเจริญเนี่ยเอ้ยฉันจะไม่แผ่เมตตาให้มหันหรอกเขาเว้นไวค้คนนี้สักคนหนึ่งมันไม่ใช่คุณก็จะผิดการแผ่เมตตาไม่ได้จะทําให้เขาเจริญขึ้นหรือจะทำให้เขาเลวลงมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เราแบบว่าจะหวังให้เขาดีขึ้นหรือจะหวังให้เขาเลวลงอย่างลูกของเราเนี่ยโอรารักลูกของเรานะลูกของเรามันต้องดีสิแม่ทุกคนเนี่ยนะคุณโยมเด็กเขารักลูกหมดนะแต่ทําไมเด็กที่เสพยาก็มีเด็กที่ทําผิดก็มีอยู่ในคุกเยอะแไมม่่รัก คือรักแล้วมันจะดีมันไม่ใช่แค่นั้นมันอยู่ที่การกระทำของบุคคลนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราแผ่เมตตาให้เขาหรือว่าเราคิดกับเขายังไงรักเขาหรือเกลียดเ้าไม่ใช่แต่ถ้าเราไปเกลียดเขาเนี่ยอันนี้มันจะสร้างนิมิตทําให้จิตเรามันขุ่นโม้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแผ่เมตตาจะเิยเมตตาในไหนในบุคคลที่ยิ่งเราเกลียดเนี่ยยิ่งจะเลยเมตตาให้มันมากๆ แต่ไม่ใช่ใบให้เขาดีขึ้นนะแต่เพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันไปมองแล้วมันไม่เคร่อง <c oughs> อันนี้ต้องเตรียมการไปก่อนเตรียมการไปก่อน <c oughs> เพราะมันเกิดเร็วอะ่ะมันปุ๊บ <c oughs> ปั๊บมันเกิดทันทีแล้วมันก็โทษมากด้วยขอประธานด้วยนะครับฟ <c oughs> ังแล้วดูเหมือนกับท่านกลาอลังจะบอกว่าคําถามเนี้ยถามไม่ถูกต้องเพราะว่าถามว่าถา้าต้องการระงับความโกรธให้ได้เร็วขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วการระงับความโกรธได้เร็วขึ้นในขณะที่โกรธเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมคะ ถ้าถ้าจะให้ดีฉันแปลนะคะคือคือทำได้ยา ก, ก็ว่าทําทได้ยากมันทําได้ยากอ่ะอืแต่ถ้าจะให้ดีไม่อยากจะเป็นคนที่มีความโกรธอันกระนับไม่ได้ต้องฝึกก่อนที่มีความโกรธถูกมใช่ใช่ต้องเตรียมตัวก่อนอันนี้คือหลักการเดียวกันกับนักผจญเพลิงนะอย่างสมมุติเกิดไฟ<ช>ไหม้ขึ้นอย่างเงี้ยนักผจญเพลิงเนี่ยตามสถิติเนี่ยนะห้าเปอร์เซ็นตนะัะคุณโยมตนนิยวห้าเปอร์เซ็นต์ะหนงที่เขาไปสู้ไฟ ที่เขาไปสู้เพลินตำรวจ<ะ>ับบเลิรเนี่ยนะไอ้ที่เหลือ 95% ของเวลาทํา ง, งานของเขาเนี่ยใช้เป็นเวลาฝึกเวลาฝึกเวลาเตรียมตัวเวลาฝึกว่าเสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าต้องไปทำยังไงใช้อุปกรณ์นี้ใช้ยังไงเตรียมขัดเครื่องมือเตรียมซ้อมร่างกายฝึก 95% สู้ไฟ<ะ>จริงๆแค่ 5% หรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้าบางทีบางปีบางย่านไม่มีไฟไหม้เลยด้วยซ้าเช่นเดียวกันนะ่ะคือถ้าเราไปรอให้ไฟมันโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ย คือไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคุณโยมติ๋วทำได้อยู่แต่คุณต้องใช้น้ำมากเพราะฉะนั้นสอบถามว่าเมตตาคุณมีกำลังหรือเปล่าถ้ามีมันก็ะระ ง, งับได้ไงค่ะอันนี้ดิฉันจริงๆก็อยากจะกลับเปถามท่านเรื่องพุธพจนธแต่ว่าก็ได้ใจความในแง่ที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของกิเลสราคะโทสะโมหะมว่า มีน้ำหนักอย่างไรอย่างโกรธคือโทสะที่กําลังถามอยู่เนี่ยโทษมันมากให้รู้แม้ว่าโทษมันมากแต่มันคลายเร็ ว, รวขนาดคลายเร็วแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทันใจคุณยื้อเลยต้องมาถามว่าอ <laughs> ให้เร็วขึ้นอีกได้อย่างไรนะครทีนี้อในส่วนของที่ดิฉันอยากกลับมีนถามท่านนะคะเรงพยาบาล <laughs> ว่านอกเหนือจากเรื่องจะบอกว่าโทสะ มีโทษมากแล้วเรื่องโทสะก็พุทโธได้ปรัสไว้อย่างไรอีกไหมคะลักษณะของโทสะเนี่ยคือมีปฏิฆะที่มโนพูดเมื่อสักครู่นะมีปฏิฆะเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนมันนะมีเมตตาจะเป็นตัวที่จะดับมันได้แล้วก็โทสะเนี่ยเป็นกองกิเลส ท, ที่เป็นกองหนึ่งนะอยู่ในในกิเลสสมกอง เ, ออเกิดขึ้นได้ด้วยปัสสะดับไปได้ด้วยความดับไม่เหลือของปัสสะ วิธีการที่จะดับมันได้คือเดินตามมักแปดอันนี้จะครบทื่นบริบูรณ์เร่งโทสะละนะคะค่ะก็จะได้เอาแบบยาหม้อใหญ่ไปกันเลยดับทางในทุกๆเรื่องหรือเวลาอีกหรือก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องที่จะกล่าบเวียนถามจะต้องสอบยาวหรือเปล่าเพราะว่าพอขึ้นคำว่าชาติว่าพพเนี่ยก็ได้ยินพระพุทโธตรัสใช่ไหมคะว่าคนธรรมดาธรรมดาถ้ายังไม่เป็นพระอรหันแล้วก็ ชาติภพสังสารวัตยาวนานนับนับไม่ถ้วนอืมใช่คำถามนี้ถามเรื่องชาติภพเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะคะคือบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีการพิจารณาเกิดดับเนี่ยอยากทราบว่าเกิดดับที่พิจารณากันอยู่ในสมาธิกับเรื่องชาติภพเหมือนกันหรือไม่อืม อันนี้น่าจะหมายถึงชาติมีได้จริงห<พ>รือเปล่าเอาความหมายของคําว่าชาติกับพบก่อนน ะ, ะคือคนที่จะในคำถังก็คือว่าจะไปเห็นชาติพบได้มีหรือไม่อันนี้เป็นความสามารถระดับที่เหนือคนธรรมดาทั่วไปพระเจ้าจะใช้คําว่าอุตตริมนุสธรรมหรือการที่สามารถเห็นอนดีตอานาคตได้ว่าอันนี้ชาติก่อนพบก่อนเราเป็นยังไงอานาคตเป็นยังไงอันนี้เขาจะทราบได้จะมีคนที่มีพลังจิตอย่างนี้อยู่อันนี้คือชาติพบในความหมายทั่วๆไปที่เราเข้าใจกัน อันนี้คือชาติภพแบบนี้แบบหนึ่งก็มีในแบบหนึ่งก็มีหรือลักษณะชาติภพที่จิตเข้าไปก้าวลงในอารมณ์บางอย่างอันนี้ก็เป็นชาติภพได้เหมือนกันอันนี้คือความหมายอีกหน่ายะหนึ่งนะหน่ายะแรกที่เราเข้าใจอีกสมมติคุณยมติวมาเกิดในชาตินี้แต่มามาเกิดในชาตินี้ถ้ามีกิเลสต่อไปก็ไปเกิดในชาติต่อไปอันนี้คือชาติอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปค่ะทีนี้ชาติชาติ <ๆ S 1> <บ>ที่มีตัวตัวแตกต่างกันไปอ่า <ours. S 1> ใช่ใช่ที่เป็นภพเป็นชาติอย่างนั้นทีนี้ ในความหมายของท่านผู้ถามเนี่ยคิดว่าคงจะในบริบทของการภาวนาในบริบทของการนั่งสมาธิเฉพาะเจอดจงลงมาเอาการปฏิ บ, บัที่เป็นรูปแบบไปเลยคุณนั่งสมาธิคุณหลับตาคุณรู้ลหมหายใจเนี่ยแล้วคุณมีความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเช่นคิดถึงเรื่องอวันนี้ต้องทําอะไรวะไอความคิดที่ว่าวันนี้ต้องทําอะไรเนี่ยเราคิดปรุงแต่งต่อไปอ๋อใช่เดี๋ยวต้องโทรหาคนนี้ต้องเตรียมการเรื่องนี้นะเราก็ต้องซื้อนี่มากินเนี่ยเปลี่ยนชาติพบละอันหนึ่ง ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นชาติเป็นภพเพราะอะไรเพราะไอ้ความคิดลนนักษณะเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้นะเป็นความหมายรู้เรามีความจิตเนี่ย <ไ aj. S 1> พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพืชเป็นมเมล็ดพืชนะเข้าไปก้าวลงในสัญญานี่คือสัญญานะความที่เราหมายรู้เรื่องอะไรต่างๆได้มีความคิดนึกนั่นนี่โน่นเนี่ยสัญญามีจิตมีสัญญานี่ยก็คือเหมือนกับมีมเมล็ดพืชกับมีดินมีมเมล็ดพืชกับมีดินแล้วถ้ามีน้ํานะ มเมล็ดพืช น, นี้จะโตได้เป็นต้นไม้ได้เช่นเดียวกันถ้ามีจิตนะเหมือนมเมล็ดพืช น, นะถ้ามีสัญญาคือความหมายรู้นนะัเหมือนดินนะแล้วมันเข้าไปใส่กันใช่ไหมคือจิตเราไปรับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วมีความเพลินความกำหนัดมีตัณหาพูดง่ายๆอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเป็นชาติเป็นภพขึ้นมาเป็นภพขึ้นมาบริจารวังพอมีภพก็จะมีการเกิดเป็นะลังการที่เราคิดไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีใจปักลงไปมีใจฝังไปเนี่ยมีจิตจดจ่ออยู่ในเนี้ยอันนี้คือเป็นชาติเป็นภพลนะ ในจังหวะที่คุณหลับตานั่งสมาธินั่นแหละ อ, อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าให้รู้ลมหายใจนี่ไอ้ความคิดนี่ฉันต้องวางนะฉันต้องดับไปไม่เอาไม่สนวางไปดับไปนี่มันดับชาติดับภพบเดียวนั้นละและ้วมาอยู่อะไรให้จริตมาอยู่อะไรจริตก็ไม่อยู่กับลมหายใจแทนอันนี้คือความคิดนั้นดับไปแล้วนะไม่คิดแล้ววันนี้จะตทงทำตาอะไรไม่สนใจมารู้ลมหายใจอย่างเดียวความคิดนั้นดับไปนั่นคือชาติดับไปคือภพดับไปนะเดี๋ยวนั้นในขณะไหนที่เราหลับตานั่งดูลมหายใจอยู่นั่นล่ะ อ, นนอันนี้คงจะหมายถึงที่ท่านผู้ถามถามมาคงจะหมายถึงอย่างนี้นะ ว, ว่าอันนี้คือก า, การที่เราเห็นกันเกิดขึ้นเห็นความดับไปของอะไรของสัญญาที่เราไปรับรู้นั่นแหละอันนี้คือคงจะเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้คือในนัยยะที่2อนัยยะที่2เพราะฉะนั้นในขณะที่เราฝึกทําสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราฝึกเนี่ยนะคือฝึกสตินะคุณโยมติยวฝึกสติ ฝึกสติให้อะไรให้มีกําลังสติจะมีกําลังได้แล้วก็รู้ลหมหายใจเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราปล่อยวางไม่เอาจิตไปก้าวลงในความอารมณ์ความรู้ความรู้สึกใดๆแล้วให้จิตกลับมาอยู่กับลหมหายใจเนี่ยตรงนี้คือลักษณะของการที่สติเนี่ยจะมีกําลังมากขึ้นฝึกในการที่จะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตมันจะไม่ไปมีช่องทางออกไปทางอื่น พระจาเปรียบเหมือนกับน้ําที่ไหลลงมาจากที่สูงเนี่ยแหละนะถ้ามันมีรูรั่วอะไรต่างๆเนี่ยน้ำนั้นก็จะไม่แรงไม่เร็วแต่ถ้ารูรั่วขอบคันนาหนาปิดหมดน้ํานั้นที่ตกลงมาจากที่สูงเนี่ยก็จะแรงก็จะเร็วเช่นเดียวกันจิตเนี่ยถ้ามันไม่ไปไหลออกทางความคิดนึกนั่นนี่น้อนจิตนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมาในกําลังที่เกิดขึ้นมีในจิตนี้สามารถที่จะเอามาใช้ในการกําจัดอสุวะหรือถอนอวิชชาทําลายตัณหาได้อย่างนี้นะเนี่ย นนในความว่าเรามีสติที่เขาเรียกอะไรคะมีกําลังถูกไหมคะใช่ก็จะจะสามารถที่จะดํารงอยู่กับลมหายใจได้ไม่ไปเขาเรียกทําให้เกิดภพเกิดชาติถูกไหมคะในความหมายนี้ถูกต้องถูกต้องไม่ไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ไปก้าวลงในอารมณ์นั้นนี้นอนค่ะไม่ก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณอ่าบทประเนชนะคุณโยมต้องต้องนิดนึงนิดหนึ่งว่าให้มันรอบข้อคําว่าก้าวลงนี่คือไปเกลือกลัวแต่ถ้าคิดบางทีความคิดคนเรามันมีแน่แต่อย่างบางทีพอผู้ชา้จัก็คิดว่าจะต้องไปเดินทางไปเที่ยง่นี่อย่างเงี้ยนะท่านก็คิดแต่ว่าไม่ไปเกลืกกล้วในอารมณ์นั้นนะเอราะงั้นคิดได้แต่อย่าเกลือกลัวใช่ดสมมติเกิดผ่านแว็บเข้ามานั่งสมาธิอยู่รู้ลมนะคะเกิดความคิดแวบว่า เอ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปวัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อว่าไปวัดแล้วเดี๋ยวจะต้องไปหาพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์แล้วจะต้องไปลงนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะคิดอยู่ได้แต่อย่าลืมลมหายใจเดี่ยเพราะว่าถ้าเมาื่อไรเราลืมลมหายใจพุ่งไปเนี่ยคือเราเพลินไปแล้วมันมันขาดแล้วถ้าจะสรุปก็คือว่าเรื่องของชาติภพนั้นมีแน่นอนทั้งในความชาติทั้งในความหมายของ ชาติภพที่พบได้ด้วยการมีความสามารถเหนือคนธรรมดาอืหรือที่เรียกว่าอุตตริมนุสธรรมแต่พอพูดถึงก็ว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยบางทีเราคิดว่าเป็นควา ม, มสามารถที่ไม่ดีเลยนะคะ แ, แ, แ, แต่จริ ง, <ส>รงๆแล้วไม่ใช่ถูกไหมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอุตริมนุสธรรมบอกว่าเหนือมนุษย์ถูกต้องเ ก, งก่งมนุษย์ทั่วไปค่ะหรือว่าอ่ประการถัดมาลักษณะของชาติภพที่ท่านบอกว่า ในกรณีคนฐานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิก็คือว่าให้เข้าใจว่าการเกิดชาติภพนั้นก็คือขณะที่เรากำลังจะให้สติของเราตั้งมั่นอยู่ในฐานต่างๆแต่ว่ากลับไปปรากฏอยู่ในในอ่าเาเรียกวอะไระกองต่างๆรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่กองนี้กองขัน ต่างๆก็ทำให้เกิดชาติเกิดพบที่เมื่อไปอยู่ในกองนี้เราย้ายไปอยู่ในกองโน้นเราเรียกว่าเป็นการดับแล้วไปเกิดดับแล้วไปเกิดอย่างนี้ถูกคะนี้ก็เรียกว่าท่องเที่ยวไปจึงมีงสังสารวัตท่นเองครัจึงมีสองความหมายถ้าอย่างนั้น ก็จะทําให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าบางทีเรื่องชาติพบเราคิดว่าหมามันเป็นเรื่องต้องยาวนานนะถ้าเป็นรอบอายุมนุษย์ธรรมดาก็ประมาณอ่าสิบหกสิบร 10, <100, S 1> ้อยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยสิบห้าวิยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ําก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้ว <c oughs> ดับไปเกิดคิดเรื่องอื่นท่องเมื่อกี้ท่านใช้คำว่าอะไรนะคะท่องเที่ยวไปสังสารวัตรท่องไปในสังสารวัตรดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในอีก อีกในยะหนึ่งที่พูดว่าสังสารวัตนี่มันยาวไกลนะเพราะว่ามันเกิดสั้นๆอย่างเนี้ยเพราะถ้าเกิดทีเกิดตลอดเวลาเลยอะค่ะใช่ไอ้เกิดตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นเชื้อสะสมไว้สะสมไว้แต่มันมีโอกาสให้ผลเมื่อไหร่มันจะให้ผลทันทีนะคะค่ะก็วันนี้ได้ความรู้ตั้งหลายเรื่องในวันเดียวกันจุใจเลยคะ่ะกลับเรียนถามท่านพิบุลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสําหรับ เทศกาลกระถิงในปีนี้ของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยกำหนดการเป็นอย่างไรนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วใช่วันนั้นก็เจ็ดโมงเช้าก็จะมีการบินบาบแล้วก็รับประทานอาหารก็ประมาณแปดโมงแล้วก็จะถวายกระถิงกันประมาณสักสิบโมงก็ทำเรียบเรียบง่ายง่ายใช่ไหมคะใช่ก่อนเที่ยงก็เสร็จ เ, เรียบร้อย ทำสืบทอดกันสม่ำเสมอเหมือนก็นเป็นประเพณีเหมือนกันเพราะว่ามีทุกปีใช่ก็ถ้ามีภิกษุเกินห้ารูปอันนี้เป็นพุทธานุ ญ, ญาตที่พระพุทธเจ้าให้ทำได้ค่ ะ, ะแล้วในวันนั้นส่วนใหญ่คนทุกขเข้าไปท้อยกรถิ่นแล้วก็แล้วกันไม่ได้ไปปฏิบททัติธรรมไม่ได้มีคอร์สพิเศษอะไรช่วงนั้นใช่ไหมคะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จเข้าพรรษาแล้ว แต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าสำหรับวัดที่ท่านพระมหาภัยบุภบญภิปุโนผูน้อำนวยการหลักสูตรริกเรนที่วัดป่าดอนหายโสคือวัดป่าดอนหายโศเนี่ย น, นะคะก็จะมีในวันอาทิตย์แรกหลังจากออกภัรษาถูกไหมคะใช่เขาทำได้เดือนเดียวนะคะถูกต้องช่วงย <28 S 2> ี่ส8ดวันนั้นต่นง วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ันเองก็จะร่วมทําบุญกับที่นั่นเหมือนกันกราบเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเอาไว้นะคะสําหรับวันนี้ในมส ก, การขอบพระคุณท่านไปบุงเป็นอย่างยิ่งค่ะมห ก, กรรมค่ะทางฝั่งที่ครบที่ติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนท น, นาที่เราจะนําเอาคําสอนของพระศาสดาเนี่ยนะคะมาขยายความให้ท่านเข้าใจในเรื่องที่เป็นความน่าสนใจของท่านหรือว่าเป็นประเด็นที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นนะคะว่า น้าที่จะต้องมาบอกกล่าวกันให้เป็นความรู้โดยเฉพาะการที่ได้พบแง่มุมแตกต่างจากที่ผ่านๆมาอย่างเช่นในวันนี้ได้สนทนากันในเรื่องประยัดอันเป็นงูพิษนะคะว่าไม่มีหรอกที่ไม่เป็นงูพิษมีแต่ที่เป็นงูพิษเพียงแต่ถ้าจับเป็นก็จะไม่ถูกภัยของพิษนะดิฉันสรุปอย่างนี้นะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับสัปดาห์นี้พุทสวัสดีค่ะ